วันนี้เป็นวันที่มีการถวายกะถินพระราชทานของวัดยนสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชอ า, าชีประทมจึงมีญาติโยมบางส่วน ได้ไปร่วมถวายกระถินกันส่วนญาติโยมที่ขึ้นมาบนเขาก็อยากจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเพราะถ้าไปงานกระถินก็จะได้ยินแต่พตระสวด เป็นพิธีกรรมก็จะไม่ได้รับความรู้กถินนี้ก็เป็นการถวายผ้าให้กับพระภิกษุสงเนื่องจากในสมัยพระพุทธการสมัยยุคบุกเบิก ญาติโยมยังไม่ทราบความจำเป็นของพระเิกษุว่าขาดแคลนอะไรมีความจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างยังยังไม่มีการถวายผ้าให้กับพระได้เอาไว้ใช้ตัดเย็บจีวรมีแต่การใส่บาตรเพียงอย่างเดียว กุติที่อยู่อาศัยก็ไม่มีการถวายยารักษาโรค ก, ก็ไม่มีการถวายที่อยู่อาศัยพระก็ต้องหาอยู่ตามมีตามเกิดซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ในป่าในเขาเพราะเป็นที่สงบสงัดวิเวกเหมาะกับการเจริญจิตตภาวนา เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในพระอริยสัจสี่ท่านก็ไม่ได้วุ่นวายกับเรื่องที่อยู่อาศัยอยู่ตามโคนไม้ได้อยู่อยู่ตามเงื้อผาอยู่ตามถ้าอยู่ตามเรือนร้างจึงไม่ได้มีการถวายคุติสร้างวัดให้กับพระอยู่กัน แต่ต่อมาเมื่อมีศรัทธามากขึ้นมีผู้ที่ฉลาดก็เกิดมีการคิดว่าพระควรจะมีที่อยู่เหมือนกันก็มีพวกพระเจ้าแผ่นดินพวกเศรษฐีต่างๆที่มีทุนทรัพย์มากก็ได้สร้างกุฏิวิหารถวายให้แก่พระพุทธเจ้าส่วนเรื่อง จีวร น, นี่ก็ไม่มีใครถวายกันไม่มีใครถวายผ้าเพื่อตัดเย็บจีวรกันผ้าก็ต้องหาผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นทิ้งไว้ในป่าชา้าเป็นผ้าหา่อศพบ้างทิ้งไว้ตามข้างถนนข้างทางตามกองขยะผ้าที่ไม่ใช้แล้วผ้าก็ไปเก็บผ้าเหล่านี้มา สะสมเาไว้พอได้จำนวนพอที่จะมาตัดเย็บเป็นจีวรได้ก็นำมาตัดเย็บเป็นจีวรและซักย้อมแล้วก็เอามานุ่งหม่มต่อมามีผู้ที่มีศรัทธาที่อยากจะบวชในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น จำนวนผ้าที่หามเพื่อมาทำจีวร น, นี้ก็มีไม่ไม่มากพอผ้าก็บางทีก็มีจีวรเพียงผืนเดียวเวลาเปียกฝนก็ต้องห่มผ้าที่เปียกฝนดังที่มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งมีพระเพิกสูจำนวนหนึ่งได้เดินทางมาจาก เมืองหนึ่งเพื่อมากับพระพุทธเจ้าระหว่างทางก็ได้เจอฝนทำให้จีวรเปรียกปอนเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องนุ่งห่มจีวรที่เปียกปอนนั้นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นความลำบากของพระภิกษุสงในเรื่องของ เครื่องนุ่งห่มคือจีวรจึงได้ปรารพให้กับศรัทธาญาติเยวว่าควรที่จะถวายผ้าให้กับพระภิกษุไว้ห่มพาผ้าของพระนี้ไม่พอใช้เวลาเปียกฝนก็ต้องห่มผ้าที่เปียกเพราะองค์งตัดว่าการถวายผ้า ซึ่งทางเรียกว่ากรถินผ้ากรถินนี้มีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากนั่นเองไม่ได้หมายความว่ามันวิเศษกว่าการถวายของอย่างอื่นแต่เนื่องจากในตอนนั้นผ้าเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากการถวายผ้า จึงถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะมาช่วยบรรเทาความขาดแคลนของผ้านี่เองถ้าสมมุติว่าอาหารขาดแคลนพระพุทธเจ้าก็ต้องทรงตรัสว่าการถวายอาหารให้กับพระภิกษุนี้มีอนิสงส์มีคุณมีประโยชน์มากความจริงแล้วปัจจัยทั้งสีน่นี้มีอนิสงส์มีคุณมีประโยชน์ เท่าเท่ากันเพราะเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพของพระภิกษุถ้าขาดแคลนในปัจจัยสี่ก็จะไม่สามารถดูแลรักษาร่างกายให้เป็นปกติได้ถ้าร่างกายไม่ปกติอดอยากขาดแคลนเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทําให้การศึกษา การปฏิบัติธรรมและการบรรลุธรรมนี้ชะงักลงไปได้ไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าได้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าการถวายกฐินนี้ที่ว่ามีอ น, นิสง์มากก็เหมือนกับการถวายปัจจัยสี่อย่างอื่นเช่นอาหารเบญทบาศ ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเพียงแต่ว่าในระยะนั้นสิ่งที่ขาดแคลนมากๆาก็คือผ้าจึงทรงตัดว่าการถวายผ้านี้มีอานิสงส์มากมีคุณประโยชน์มากแต่อย่าไปถึงกับที่ว่าถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้ถวายผ้ากาทินนี้จะไม่ได้มีุ่นจะไม่ได้บุญมาก ความจริงสมัยนี้ปัจจัยสี่ของพระก็มีพร้อมบริบูรณ์อยู่แล้วจะถวายส่วนหนึ่งส่วนใดก็คิดว่าได้อนิสงฆ์เท่าเทียมกันแล้วก็เป็นอ น, นิสง์ในระดับต่ำคือระดับทานอ น, นิสง์หรือประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับมากกว่าระดับทานก็ยังมีอยู่เช่นระดับ รักษาศีลระดับภาวนาระดับรักษาศีลก็มีระดับหลายระดับเช่นระดับศีลห้าระดับศีลแปดระดับศีลสิบระดับศีลสองร้อยยิบเจ็ดอันนี้ก็มีอานิสงส์มากน้อยต่างกันไปแล้วพอเข้าสู่ระดับภาวนาก็มีอานิสงส์ที่ สูงกว่าระดับศีลและมีระดับต่างกันอยู่สองระดับด้วยกันคือระดับสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบและระดับวิปัสนาคือการสอนใจให้ฉลาดอันนี้ฝนตกก็คงจะต้องพักการแสดงธรรมไว้ชั่วครา แล้วมาปฏิบัติทมแทนคือมานั่งสมาธิทำใจให้สงบไปทางพางก่อนจนกว่าผลจะหยุดแล้วค่อยมาฟังเทศฟังธรรมกันต่อไปเวลานั่งสมาธิก็ให้มีทมบทใดบทหนึ่งควบคุมใจเอาไว้ผูกใจเอาไว้ อย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้มีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจหรือให้ดูลมหายใจเข้าออกไปหรือจเจริญนอนานุสติไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไปหรือพิจารณาดูอาการ32สองของร่างกายไปแล้วแต่ที่จะถูกกับจริต จะสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้แต่อย่าปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆโดยไม่มีอะไรให้ใจยึดติดไว้เพราะใจจะคิดปรุงแต่งแล้วจะจะไม่สงบจะไม่ได้รับประโยชน์จากการนั่งสมาธิตอนนี้ฝนก็ได้ เบาบางลงไปแล้วพอที่จะพูดธรรมะได้ต่อก็ขอพูดต่ออีกสักเล็กน้อยไดพูดถึงเรื่องถวายผ้ากระถินที่อยู่ในกลุ่มของการทันทานการทําทานนี้ก็เป็นขั้นแรกของการก้าวบันได ขึ้นสู่การปฏิบัติขั้นที่สูงต่อไปก่อนที่เราจะรักษาศีลได้ภาวนาได้เราต้องทำทานให้ได้ก่อนเหมือนกับเราต้องเรียนจบระดับประถมก่อนถึงจะเข้าสู่ระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาได้ การปฏิบัติทานศีลภาวนาก็เป็นขั้นบันไดที่เราต้องก้าวขึ้นไปจากง่ายไปหายากการทำทานย่อม ง, ง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลย่อม ง, ง่ายกว่าการภาวนาการที่จะภาวนาได้ก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อน การที่จะรักษาสินได้ก็ต้องทำทานให้ได้ก่อนการทำทานก็ควรทำกับเงินทองที่เรามีมากเกินไปคือเราต้องมีส่วนหนึ่งไว้ดูแลรักษาชีวิตของเราส่วนนั้นเราก็ต้องเก็บเอาไว้ หรือดูแลผู้ที่เรามีความรับผิดชอบถ้ามีเหลือเราก็เอาส่วนที่เหลือนี้ไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นถ้าเราไม่มีเหลือไม่มีให้ก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำทานเพราะการทำทานนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เรา ปัญหาเรื่องการไปหาเงินหาทองมามากเกินไปนั่นเองเพราะถ้าเราไปหาเงินหาทองมามากเกินไปเราจะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนามารักษาศีลถ้าเราไม่มีเงินที่จะทําทานแล้วก็ไม่ต้องทําทานเราก็เราก็จะรักษาศีลได้เลย ถ้าเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำ่ายถ้าเราต้องหาเงินหาทองก็หาเพื่อเป็นการยัางชีพเท่านั้นถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็ไม่ต้องหามากไปกว่านั้น เอาเวลาที่ไปหาเงินหาทองนี่มารักษาศีลมาภาวนาดีกว่าเพราะประโยชน์ที่จะได้นับจากการรักษาศีลจากการภาวนานี้มีประโยชน์มากกว่าการทำทานเหมือนกับความรู้ที่เราเรียนในระดับผถมนี่ สู้ความรู้ที่เราได้เรียนจากระดับมัธยมไม่ได้และความรู้ระดับมัธยมก็สู้ความรู้ระดับอุดมศึกษาไม่ได้บุญกุศลคือความสงบความสุขใจที่ได้รับจากการทำทานก็จะสู้บุญกุศลความสงบความสุขใจที่ได้รับจากการรักษาศีลไม่ได้ การรักษาศีลก็สู้การภาวนามไม่ได้ดังนั้นเราต้องพิจารณาดูว่าเรากำลังขาดอะไรควรจะทำอะไรไม่ใช่ทำแต่อย่างหนึ่งอย่างใดไปอย่างเดียวโดยที่ไม่คิดที่จะทำอย่างอื่นเพิ่มเลยอย่างนั้นก็เหมือนกับเรียนหนังสืออยู่ชั้นเดียว ไม่เคยคิดที่จะขึ้นชั้นเลยเรียนกี่ปีกี่ปีก็ขอเรียนอยู่ที่ชั้นนี้ชั้นเดียวอย่างนี้การปฏิบัติก็จะไม่เจริญก้าวหน้าบุญกุศลความสุขความสงบใจก็จะมีไม่เพิ่มมากขึ้นจะมีอยู่เท่าเดิมดังนั้นเราต้องพิจารณาตัวเราเอง ว่าตอนนี้เราทำบุญในระดับไหนถ้าเรายังทำบุญอยู่ในระดับทานอยู่เราก็พิจารณาดูว่าเราทำมากพอหรือยังเราทำพอสมควรหรือยังพอที่จะให้เรารักษาศีลได้หรือยังเพราะส่วนหนึ่งของการทำทานนี้ก็ทำเพื่อให้เรามีจิตเมตตากรุณา นั่นเองเวลาเราช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันสิ่งของต่างๆแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นก็จะทําให้เราไม่อยากที่จะทําร้ายผู้อื่นการไม่ทําร้ายผู้อื่นก็ทําให้การรักษาศีลนี่ง่ายเพราะการรักษาศีลก็คือการละเว้นจากการ ทำร้ายผู้อื่นนั่นเองเช่นการฆ่าผู้อื่นการลักทรัพย์ของผู้อื่นการประพฤติผิดประเวณีการพูปดปดการเสกชุรายาเมาถ้าได้ทำทานอยู่พอสมควรแล้วจะมีจิตใจที่เมตตากรุณาจะไม่ชอบทบาบาปก็จะทําให้สามารถรักษาสี่ห้าได้ พอรักษาศีลห้าได้ก็ควรที่จะเริ่มหัดรักษาศีลแปดต่อไปเพราะการที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นภาวนาได้ต้องใช้ศีลแปดเป็นผู้ที่สนับสนุนเพราะศีลห้านี้จะไม่มีกำลังพอเพราะศีลห้านี้จะยุติตัดกามชันทะไม่ได้ กา ร, รมชันทะก็คือความอยากในการหาความสุขจากรูปเสียงกดลดิ่นรสโผฏฐะถ้ายังมีกา ร, รมัชันทะาอยู่ใจจะไม่อยากจะภาวนาไม่อยากนั่งเฉยๆไม่อยากทำใจให้สงบเพราะใจจะคิดแต่หาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าบังคับใจไม่ให้กระทําด้วยการรักษาศีลแปลใจก็ทําไม่ได้ในเรื่องของการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นก็ทําไม่ได้การรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตก็ทําไม่ได้การไปหาความสุขกับ มอหอมมอฮอรสุบบันเทิงต่างๆก็ทำไม่ได้การหาความสุขจากการเสริมความสวยความงามของร่างกายด้วยการใส่เสื้อผ้าอาพรที่สวยงามที่วิจิตรพิสดารแต่งผมแต่งหน้าแต่งตาใช้น้ำหอมใช้น้ำมันนายต่างๆก็จะทำไม่ได้ก็จะไม่ต้องมาเสียเวลา กับเรื่องราวเหล่านี้และการหลับนอนก็จะไม่หลับนอนมากจนเกินไปหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายซึ่งปกติก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็พอเพียงแ้วถ้านอนบนฟูกหนาะๆนอนบนเตียงที่สบายเวลาร่างกายได้รับการพักผ่อนพอเพียงตื่นขึ้นมาแล้ว แต่ใจจะไม่อยากจะลุกยังติดอยู่กับความสุขที่ได้จากการนอนบนนุ่มนุ่นหน า, นาก็จะต้องเสียเวลากับการหลับนอนต่อไปอีกสามสี่ชั่วโมงอย่างนั้นถ้าเราอยากจะภาวนาอยากจะขยับการปฏิบัติของเราให้สูงขึ้นให้ก้าวหน้าเราก็ต้อง หัดรักษาศีลแปดในเบื้องต้นท่านก็ให้หัดให้รักษาในวันวันพระก่อนวันธรรมดาเราต้องไปทำงานทำการไม่สะดวกที่จะรักษาศีลแปดก็รักษาศีลห้าไปส่วนวันพระซึ่งสมัยก่อนเป็นวันหยุดทางานไม่ต้องออกไปทำงานทำการไม่ต้องไปพบปะกับผู้คน ไม่ต้องไปสังคมกับผู้คนต่างการรักษาศีลแปดก็จะง่ายก็ส่วนใหญ่ก็จะไปวัดกันไปฟังเทศฟังธรรมไปทาบุญใส่บาตรแล้วก็อยู่วัดปฏิบัติธรรมกันนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนารักษาศีลแปดกันในสมัยนี้ วันหยุดไม่ได้ตรงกับวันพระเราก็ต้องปรับวันพระของเราให้เป็นวันหยุดคือถือวันหยุดเป็นวันพระแล้วถือศีลแปดในวันนั้นถ้าไปวัดได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็หาที่สงบถ้าที่บ้านสงบอยู่คนเดียวไม่วุ่นวายไม่มีเรื่องมีราวอะไรก็รักษาศีลแปดที่บ้านไปก็ได้ ที่ต้องไปวัดก็เพราะว่าถ้าอยู่กันหลายคนแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายเพราะคนที่ไม่ถือศีลแปล ก, ก็จะหาความสุขจากมหรรพบันเทิงต่างๆจะมีการรับประทานอาหารกันหลายมื้อด้วยกันมีการดูการฟังอะไรต่างๆถ้าเราอยู่ในทํากลางเหตุการณ์เหล่านั้น เราก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลแปดได้เราก็ต้องไปหาที่สงบที่ไม่มีกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งปกติก็เป็นตามวัดวาต่างๆวันหยุดวันที่เราจะถือศีลแปดวันที่เราจะภาวนาเราก็ไปที่วัดไปหาที่สงบที่วิเวกถึงแม้จะไม่เป็นวัดแต่ถ้าสงบวิเวก เอื้อต่อการรักษาศีลแดเอื้อต่อการบรมเพ็ญจิตตภาวนาก็ถือว่าเป็นวัดเหมือนกันไปอยู่ที่แบบนั้นแล้วการรักษาศีลแปดจะไม่ยุ่งยากยางง่ายเพราะไม่มีอะไรม า, าล่อใจมาแย่ใจให้เกิดความอยากที่จะทำ กิจกรรมต่างๆที่ศีลแปดห้ามไม่ให้ทําการรักษาศีลแปดก็จะง่ายแล้วการเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบก็จะง่ายเพราะไม่มีเหตุการณ์ไม่มีบุคคลจะมารบกวนการเจริญสติการเจริญสติก็คือการควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เพียงอารมณ์เดียวไม่ให้ใจไปคิดเลื่อยเปื่อยคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วความคิดปรงแต่งต่างๆก็จะเบาบางลงไปแล้วก็อ่อนลงไปแล้วก็หมดไปในที่สุดเวลาความคิดปรงแต่งหยุดไป ความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสุขที่ได้จากความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาจะทำให้เห็นคุณของการภาวนาว่าไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับใจได้เหมือนกับการภาวนาเลยขอให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญ หรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆความสุขเหล่านี้ที่ได้จากสิ่งเหล่านี้จะสู้ความสุขที่ได้จากการควบคุมใจให้สงบไม่ได้เลยเมื่อได้เห็นความสุขที่วิเศษที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของใจ ก็จะทำให้เราเกิดฉันทะวิริยะเกิดความยินดีเกิดความอุตสาหะภาคเพียนที่จะบำเพ็ญกิตตภาวนาเพิ่มมากขึ้นเราก็จะหาเวลาเพื่อมาบำเพ็ญเพิ่มมากขึ้นถ้ามีวันหยุดสองวันก็จะบำเพ็ญทั้งสองวันถ้าสามารถ ลดการทำงานทำการให้น้อยลงไปได้คือแทนที่จะทำอาทิตย์ละห้าวันถ้าลดเหลือสี่วันได้ก็จะลดลงไปลดเหลือสามได้ก็จะลดลงไปเพื่อเอาเวลาที่เราไปทำงานทำการนี้ <c oughs> มาบาเพ็ญจิตตะภาวนาแทนจะดีกว่าเพราะอา น, นิสองประโยชน์ที่ได้รับนี้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน ไปทํางานทําการก็ได้เงินได้ทองมาแต่ไม่ได้ความสงบ <c oughs> เงินทองส่วนหนึ่งก็มีความจําเป็นไม่ปฏิเสธเพราะถ้าไม่มีเงินทองก็อยู่ไม่ได้ปัจจัยสี่ก็ต้องใช้เงินทองซื้อแต่ถ้าเรามีพอเพียงแล้วไม่ควรที่จะหามามากเกินไปไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจ และจะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญจิตรภรรนามาถือศีลแปดกัน <c oughs> ถ้าลองได้สัมผัสกับความสงบได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะไม่สนใจกับเรื่องการแสวงหาอะไรต่างๆอีกต่อไปจะมีความปรารถนาที่จะหาความสงบเพียงอย่างเดียว แล้วถ้าได้บําเพ็ญเพิ่มมากขึ้นไปความสงบก็จะมีมากขึ้นความสุขก็จะมีมากขึ้นจนในที่สุดก็พร้อมที่จะยุติการดำเนินชีวิตแบบเดิมๆคือยุติการสว่างหาความสุขผ่านทางการหาเงินหาทองมาหาความสุข ผ่านการบาเพ็ญจิตตภาวนาดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ติดอยู่กับใจไปตลอดไม่เหมือนกับความสุขที่ได้รับผ่านทางการใช้เงินทองเป็นความสุขเดียเด๋ยววความสุขชั่วขณะที่ได้สัมผัสรับรู้พอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็จางหายไป ไม่หลงเหลืออยู่ติดอยู่ภายในใจเลยนี่คือความแตกต่างระหว่างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกับความสุขที่ได้จากการบาเพ็ญจิตตภาวนาพอได้เห็นความแตกต่างได้ช้าชังน้ำหนักของคุณประโยชน์ที่จะได้รับก็จะต้องไปทางจิตตภาวนา ทั้งนั้นเมื่อพาทางจิตภาวนาต่อไปก็จะสามารถสร้างความสงบให้แก่จิตได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิมาก็ยังสามารถทําใจให้สงบได้เพราะนอกจากความสงบของใจที่ได้จากการเจริญสติแล้วนั้น ก็ยังมีความสงบที่ได้จากการเจริญปัญญาพอออกจากสมาธิมาแล้วถ้าต้องการที่จะรักษาความสงบให้อยู่ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาคอยสกัดคอยกำจัดตันหาความอยากกิเลสความโลภความโกรธที่จะเกิดขึ้นถ้ามีปัญญาก็จะสามารถ กำจัดกิเลสตัณหาได้ถ้ากิเลสตัณหาถูกกำจัดไปตัวที่จะมาทำลายความสงบก็จะไม่มีจะหมดไปใจก็จะสงบเหมือนกับน้ำที่นิ่งถ้าไม่มีใครไปกระโดดไปเล่นไปไหว้ไปอาบน้ำก็จะนิ่งไปตลอดเวลา ถ้าเราต้องการให้น้ํานิ่งเราก็ต้องทำรั้วกัน้นไม่ให้คนเข้าไปอาบเข้าไปเล่นน้ําหรือถ้ายังมีคนฝ่าฝืนก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยคอยห้ามคอยคอยจับเอาไว้เจ้าหน้าที่ของใจที่จะคอยห้ามกิเลสตัณหาไม่ให้มาทําให้จิตกระเพื่อมไม่ให้ทําจิตนั้นพุ้งซ่านวุ่นวาย ก็คือปัญญานี่ปัญญาจะสอนใจทุกครั้งที่เกิดความอยากเกิดความโลภว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวแล้วจะกลายเป็นความทุกเวลาที่ไม่สามารถที่จะหาได้หรือเวลาที่ความสุขนั้นหมดไปก็เหมือนกับเป็นความทุกเกิดขึ้นมาใหม่ ก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาหาได้ก็ดีไปเวลาหาไม่ได้ก็จะต้องพบกับความทุกข์เพราะความอยากเป็นผู้สร้างความทุกข์ขึ้นมาเองถ้าไม่มีความอยากอยู่เฉยๆอยู่กับความนิ่งอยู่ควา ม, วามสงบก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมานี่คือปัญญา ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นไม่เที่ยงไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเวลามีก็ดีเวลาไม่มีก็จะเสียใจทุกข์ใจเพราะอยากจะให้มีต่อไปดังนั้นเวลามีความอยากต้องใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความสงบก็จะกลับคืนมา และต่อไปก็จะมีความสงบไปตลอดต้องสงบด้วยปัญญาถึงจะเป็นความสงบที่ถาวรที่แท้จริงความสงบที่ได้จากการเจริญสติในเวลานั่งสมาธินี้จะเป็นความสงบชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาถ้าไม่ควบคุมความคิดไม่ควบคุมความอยากความสงบที่ได้ก็จะหมดไป ความทุกข์ก็จะกลับมาแทนที่จึงต้องใช้ปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วต้องมีอาวุธคือปัญญานี้คอยทำลายข้าศึกศัตรูผู้ที่จะมาทำลายความสงบของใจก็คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาความอยากต่างๆสมาธิกับปัญญาจึงมีหน้าที่ต่างกัน แต่เป็นผู้ที่สนับสนุนกันสมาธิก็จะสนับสนุนให้ปัญญาทํางานได้เพราะถ้าไม่มีสมาธิปัญญาจะไม่มีกําลังพอเวลาเกิดความอยากจะไม่มีกําลังที่จะมาพิจารณาให้เหตุโทษของความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความทุกข์ ในจ่อนอยู่ภายใต้ความสุขที่ได้มาแต่ถ้ามีสมาธิแล้วใจใจะเย็นใจสบายถึงแม้จะเกิดความอยากขึ้นมาก็ยังมีกำลังที่จะใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาได้ด้วยเหตุด้วยผลเมื่อพิจารณาด้วยเห็นด้วยเหตุด้วยผลแล้วเห็นว่าการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุข ก็จะหยุดมีดความอยากได้นี่แหละคือเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสงบสร้างความสุขในระดับต่างๆต้องพัฒนาจากขั้นต่ำขึ้นไปสู่ขั้นกลางและสู่ขั้นสูงตามลําดับต่อไปเอาพุทธเจ้าคดีพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายคดีก็ต้องบําเพ็ญตามขั้นนี้เช่นกัน ท่านเตนท่านกสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยกให้ปของผู้อื่นไปทำทานครั้งเดียวทำทีเดียวให้หมดไปเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองอีกต่อไปแล้วก็จะได้มีเวลาออกบำเพ็ญรักษาศีลมีเวลาจเจริญจิตตภาวนา สมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาตามลําดับจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันตสาวกนี่คือวิธีที่พระเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บําเพ็ญกันและเป็นวิธีที่ใครๆก็ตามถ้าบําเพ็ญได้ก็จะได้ผลเช่นเดียวกันไม่มีการส น, นรุนด้วข้อศีตว่าต้องเป็นของนักบวช หรือต้องเป็นผู้ชายหรือต้องเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นนักบวชก็ปฏิบัติได้บรรลุได้เป็นหญิงก็บรรลุได้ปฏิบัติได้บรรลุได้เป็นเด็กก็บรรลุได้ปฏิบัติได้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่ชนชาติเชื่อว่าเป็นชาวไทยหรือชาวตะวันตกอยู่ที่การดำเนินตาม รอยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำดำเนินและทรงสอนให้ดำเนินก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาดังนั้นอย่าติดอยู่กับการทำทานเพียงอย่างเดียวควรที่จะคิดขยับขยายถ้าเรามีกำลังพอที่จะก้าวสู่การรักษาศีลรักษาศีลห้าได้ก็ควรจะก้าวสู่การรักษาศีลแปด วันที่จะหัดภาวนาบ้างวันได้กว่าน้อยก็ยังดีถ้าวันวันหยุดยังไม่สามารถทําได้ก็เอาวันทํางานนี่ก็ได้แต่อาจจะไม่ได้มากเช่นชั่วโมงก่อนนอนชั่วโมงหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วเอาเป็นเวลาบําเพ็ญ <c oughs> นั่งสมาธิถ้ายังนั่งไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนหรือฟังเทศฟังธรรมไปก่อน เป็นการเจริญสติไปพังพังก่อนพอมีสติแล้วต่อไปก็จะนั่งดูลมหายใจนั่งบริกรรมพุทโธได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอได้พบกับความสงบก็จะเกิดศรัทธาอยากจะภาวนาอยากจะรักษาศีลแปดอยากจะไปอยู่วัดเองนี่คือการพัฒนาไปทีละก้าวเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด การที่จะกระโดดก้าวกระโดดนี่มันยากถ้าพลาดก็อาจจะขาหักได้แล้วก็จะไม่สามารถก้าวหน้าได้เพราะต้องมาดูแลรักษาขาก่อนแล้วถ้าเป็นพิกลพี่การไปก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติจะทำอะไรต่อไปได้ดังนั้นขอให้พวกเราพิจารณาดูตัวเราเองว่าเรามีกำลังมากน้อย ในการปฏิบัติทำขั้นต่างๆเพียงไรขอให้ลองพยายามทำดูลองขยับขึ้นไปดูอย่าอ้างว่าเราเป็นหญิงเราเป็นไม่ใช่เป็นนักบวชเรามีภารกิจการงานมีครอบครัวมีลูกมีเต้าถ้าเรามีข้ออ้างเหล่านี้เราจะไม่มีวันที่จะมีเวลาที่จะปฏิบัติได้แล้วโอกาสอันงามที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง คือการได้มาพบกับแสงสว่างของพระพุทธเจ้านำทางนี้ก็จะหมดไปกลับมาเกิดคราวหน้าอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนานำทางเราเราก็จะไม่มีโอกาสไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะต้องหมุนเวียนไปกับการเกิดแก่เจ็บตายซ้ําล้วซ้าอีกไป จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่มีไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆน า, านๆถึงจะเกิดมาสักครั้งหนึ่งครั้งนี้เราได้พบแสงสว่างแล้วเราได้พบผู้นำทางแล้วเรารีบตะเกียกตะกายขวนขวายเดินตามผู้สอนจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยสำหรับพวกเรา ธรรมะของพระเจ้านี้เหมาะสมกับมนุษย์ทุกๆคนอยู่ที่ว่าจะช่วยโอกาสนี้หรือไม่อยู่ที่จะพยายามผลักดันตัวเองให้ศึกษาให้ปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองอันนั้นก็ขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องการสร้างบุญระดับต่างๆนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณา และปฏิบัติเพื่อความดับของความทุกข์และการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็องพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคาขัง เอวะเมวะอิโตเทนังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติอรโสยธาสัพพิตโยริวัจ a n ตุ สัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปะจายโนจตารโหธมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลัง อยู่นี้ภาวะกิจใช่ไหมคะคือบุญที่เขาจะได้รับตอนนี้ก็คือธรรมะท่านนันเองถ้าเขาฟังเสียงธรรมได้แล้วเขาเชื่อแล้วปฏิบัติตามที่สอนได้เขาก็จะทําใจได้ใจก็จะสงบก็จะไม่เดือดร้อนบรรลุธรรมได้ ต, ตัวเขาเองว่าเขาเวลาได้ยินได้ฟังธรรมเขาเข้าใจหรือเปล่า แล้วเขาทำใจตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้เขาก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับพวกเราตอนนี้คือใจเราไม่เดือดร้อนร่างกายเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของร่างกายไปถ้าเรายึดติดกับร่างกายดื้อหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราจะกลัวเราจะเครียดเราจะอยากไม่หายแต่ถ้าเรามีธรรมะเราจะแยกออกว่าเรากับร่างกายเป็นคนละคนกัน เราเป็นคนสั่งร่างกายเป็นคนรับคำสั่ง เ, ออเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย เ, ออเราต้องพร้อมที่จะให้ร่างกายไปร่างกายไปเหมือนคนใช้เขาขอลาออกจากงานเ็าบอกก็าต้องกลับไปบ้านแล้วออต้องไปหาร่างคนใช้คนใหมออ่ถ้าเรารู้งนี้ก็โอเคปล่อยเขาไปแล้วเราก็ไปหาคนคนใช้คนใหม่ไปเกิดใหม่ ถ้าเรายังอยากจะกลับมาเกิดเราก็ควรที่จะเตรียมเงินไว้เยอะๆคือเตรียมบุญไว้เยอะๆจะได้คนใช้ใหม่ที่ดีกว่าคนเก่าถ้าไม่เตรียมไว้เวลาไปจ้างคนใช้ไม่มีเงินจ้างเขาก็จะได้คนใช้ที่ไม่ดีเนีบุญที่เราทําเนี่ยทําทานเนี่ยจะเป็นเงิือนกับเงินไว้สําหรับซื้อร่างกายอันใหม่ถ้าทําบุญเยอะก็จะได้ร่างกายอันใหม่ที่ดี สรัทธาแข็งแรงอาการคบสามสิบสองรูปร่างหน้าตาสวยงามมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองะงั้นถ้าเรายัางคิดว่ายัางต้องกลับมาเกิดใหม่ก็อย่าประมาทเรื่องการทําบุญทําทานแล้วถ้าอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่ต้องไปใช้ใช้กรรมก็อย่าไปทําบาปเพราะถ้าทําบาปก็ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายก่อนก่อนที่จะกลับมา เป็นมนุษย์ได้ต้องไปใช้โทษก่อนงั้ <c oughs> ถ้าไม่อยากจะไปใช้โทษ <c oughs> ก็อย่าทําบาปรักษาสี่ห้าไว้ให้ดีแล้วถ้าตายไป <c oughs> ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นเทวดาก่อนถ้ามีบุญมากทําบุญไว้มากก็จะได้ไปเป็นเทศไปเที่ยวในโลกสวรรค์ก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <c oughs> ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเลย <c oughs> ก็ต้องตัด วเลตันหาให้หมดไปอยากไะอยากกับอะไรไไร่างกายจะเป็นอะไรก็ล่อยมันเป็นไปมันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นคนใช้คนใช้เขาบอกเขาต้องไปแล้วลาป่วยลา ง, งานแล้วก็ยกให้เขาไปส่วนพวกเราตอนนี้ก็ต้องทำใจว่าเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเราทำได้แต่ร่างกายของเขา หาอยู่้ายาหาหมอหาอะไรมาให้เขาเท่านั้นเองทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้าคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมพวกเราเท่ากันหมดในเรื่องความแก่ความเจ็บความตายจะช้าหรือจะเร็วจะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเองส่วนจะสุขหรือจะทุกข์กับเรื่องราวเหล่านีน้ก็อยู่ที่ว่ามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะ ถ้ามีธรรมะก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีก็จะทุกข์เพราะจะไปนหลนงคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วก็จะเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากนี่แหละที่ทำให้เราทุกข์ทรมานใจไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ร่างกายของเราแล้วเราไปอยากจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆเราก็เฉยๆเสียอยากไปอยาก เขาแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปเขาเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปเขาตายก็ปล่อยเขาตายไปเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับเขาเราจะไปวุ่นวายไปทําไมแถ้าเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงกันนี้ไม่ได้อืใจก็จะเฉยจะเย็นจะสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองเอาไปคิดดูอืหายะาอ อ่ะเดี๋ยวเอาไมโครโฟอนได้ไหมหนูพูดผ่า น, มาออนนะไมโครโฟนนนคนหน่นยจะได้ยินด้วยอ่ะช่วยช่วยส่งไปให้หน่อยเปิดไม้ไ ห, มหน่อยพูดใกล้ใ ห, หน่อยพูดใกล้ใไม้หน่อยะได้คือหนูอยากถามว่าช่วงนี้ชีวิตหนูมันไม่ค่อยจะอันนี้เลยหนูจะพ้นที่ผักกรรมนี้อีกจะเจอแบบนี้อีกนานไหมคะคือวันนี้ก็บดกรรมได้ถ้าเราทำใจได้เข้าใจไหม วิบากที่แท้จริงอยู่ที่ใจเราส่วนไอ้ผลที่เกิดกับร่างกายเกิดกับเหตุการณ์เกิดกับข้าวของเงินทองอะแล้วนี้เป็นเป็นเป็นบริวารมันไม่ใช่เป็นตัวสําคัญตัวสําคัญตอนนี้คือคือใจเราใจเราทุกเราดับใจดับความทุกข์ในใจเราได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยคือเราทําใจยอมรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยมันเกิดไป เหมือนไฟที่มันไหม้ก็ปล่อยมันไหม้ไปเดี๋ยวมันก็ดับเองเดี๋ยวเชื้อมันหมดมันก็ดับเองแต่เราไปดับมันเองไม่ได้แต่สิ่งที่เราดับได้คือไฟที่เผาใจเราอยู่ตอนนี้คือความทุกข์ใจถ้าเรายอมรับว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้มันมีเหตุทำให้มันเกิดแต่ใจของเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันถ้าใจเรายอมรับปล่อยให้เขา เป็นไปพอให้มันเป็นไปเกิดไปเดี๋ยวมันก็หมดไปใจเราก็เย็นใจใจเราก็สบายนั้นเราพ้นวิบากตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยถ้าเราทำใจได้ก่อนมากจะเป็นแบบคนอื่นทาให้นอนไว้ใกล้หด้ทำให้เขาก็เราอย่าไปสนใจก็ถือว่าเป็นวิบากของเราแล้วกันหรือเป็นกรรมของเราหรือเป็นความซวยของเราที่มาเจอคนเหล่านี้เข้า อย่าไปอยากไม่ให้เกิดเพราะยิ่งอยากยิ่งเครียดอย่ mm. หาหัดไปอยากให้มันเกิดจะดีกว่าราะไหนๆมันจะเกิดแล้วก็อยากให้มันเกิดจะได้สมใจอยากพอสมใจอยากแล้วก็จะไม่ทุกข์เข้าใจไหอใจอย่าไปต่อต้านอย่างที่เคยสอนอยู่เรื่อยๆว่าให้ยอมหยุดแล้วก็เย็น mm. ยอมรับกับวิบากของเราแล้วหยุดต่อต้าน mm. แล้วใจก็จะเย็นสบาย เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะดีีิเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องราวอย่างนี้ก็จะไม่รู้จักวิธีทำใจพอมีเรื่องมีทุกข์เกิดขึ้นก็เลยต้องใช้ปัญญาปัญญาก็จะสอนว่าให้ยอมให้หยุดให้เย็นพอยอมแล้วก็จะหยุดหยุดแล้วมันก็จะเย็นท่านถึงบอกว่าทุกข์บ่มีปัญญาบ่มีถ้าทุกข์บ่มีปัญญาบ่เกิดต้องมีความทุกข์ก่อน ปัญญาจะเกิดเมื่อมีปัญญาความทุกการดับทุกข์ก็จะตามมาแล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวอย่างนี้อีกต่อไปต่อให้มันเกิดอีกซ้ำแล้วซ้ำซากกี่ครั้งกี่หอนนี่ถ้าเรารู้จักทำใจได้แล้วเราก็จะไม่กลัวมันอีกแล้วถ้าเราไม่ทำใจครั้งนี้คราวหน้ามันกลับมาเกิดใหม่ก็จะทุกข์ใหม่อีกเช่นเราไปหาหมอดูแล้วหมอดูทำพูดให้ทำอย่างงุ้นทางอย่างนี้แล้วมันหายไปแต่ไม่ได้หายเพราะว่าเราทำหรอกเพราะมัน มันหมดแรงมันหมดเหตุพอครั้งต่อไปมันเกิดเหตุการ์อย่างนี้เราก็จะไปหาหมอดูไปททำอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ตรงเป้าเหมือนที่หลวงตาบอกว่าเกาไม่ถูกที่ขันต้องเกาที่คันที่คันก็คือใจของเราใจของเราทุกเพราะอยากไม่ให้มันเกิดแต่เราต้องใช้ปัญญาว่าของเรานี้มันต้องเกิดห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไป เราไม่ต้องไปกลัวมันเพราะว่ามันทำอะไรเราไม่ได้มันทำได้ก็แค่ร่างกายของเราหรือทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองของเราเท่านั้นเองหรือบุคคลที่เรารักแต่มันไม่สามารถมาทำลายใจเราได้ใจของเรานี้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ฆ่าไม่ได้ mm hmm. เพราะใจมันไม่มีรูปไม่มีร่างใจมันเป็นความว่างมันแต่มันมีความคิดความรู้อยู่การดูแลรักษาใจ เท่านั้นพอแล้วเพราะถ้าใจสงบใจเย็นแล้วไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นก็เหมือนกับไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะดันั้นหันกลับมาทําใจหัดยอมซะยอมแพ้เใครอยากจะทำอะไรให้เขาทาให้เต็มที่เลยอแล้วใจจะเป็นเหมือนน้าแข็งอยู่ในกองไฟก็ เ, เห็นน้ําแข็งในกองไฟไหม น้ำแข็งมันจะเย็นไฟมันจะไหม้งมันน้ำแข็งก็ยังเป็นน้ำแข็งอย่างนี้นทำใจเราให้สงบให้เย็นให้ยอมแล้วเหตุการณ์รอบข้างของใจจะเป็นร่างกายหรือเป็นอะไรนี่มันจะไม่ทำให้ใจเดือดร้อนเลยลองทำด้วยวิธีง่ายๆก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆช่างหัวมันอะไรอย่างในหลวงบอกโครงการช่างหัวมันก็ ไ, ได้ยินไหอ <c oughs> <c oughs> อย่าไปทุกข์กับมันหวายความว่ า, าอย่างนีน้เมื่อเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันไปลองทำดูเดีย๋ยววันนี้จะพ้นวิบากห เ, เนี่ยจะหัวเราไดา้ถามต่อสาธุครับเอากาบเรียนพระเดชระกุลหลวงพ่อนะครับการนั่งสมาธิปัจจุบันเนี่ยนั่งแล้วก็นิ่งอยู่เฉยๆนะครับทีนีออ้อยากจะขอ คำแนะนําจากหลวงพ่อว่าจะนั่งยังไงให้มีการพัฒนาจนกระทั่งได้อารมณ์รวมเป็นหนึ่งนะครับก็ต้องพยายามนั่งต่อไปให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่ให้ใจแวบไปแวบมาให้อยู่กับอารมณ์เดียวต้องพยายามทําไปเรื่อยๆ เ, เวลาไม่ได้นั่งก็ต้องเจริญสติไปเพราะว่าที่เรานั่งแล้วไม่รวมก็เพราะกําลังของมันไม่พอ กำลังที่จะดันใจให้เข้าไปสู่ความสงบมันสู้กําลังที่จะดันออกไม่ได้ใจเหล่านี้มีกําลังดันออกอยู่ตลอดเวลาคือตันหาความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันจะคอยดันออกเราจึงต้องใช้สติดันมันเข้าไปทีนี้สติของเรามันกําลังไม่พอมันเลยเข้าไปได้ไม่ลึกดงั้นถ้าเราอยากให้มันลึกก็ต้องสร้างกําลังของสติวิธีสร้างก็ต้องสร้างเจริญสติตลอดเวลา ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิแค่เนี่ยตื่นขึ้นมาเราก็ต้องควบคุมใจแล้วต้องเจริญสติแล้วให้อยู่กับพุโทโธไปหรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าปล่อยให้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้<ม>พยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอเวลามานั่งสมาธิกาลังสติมันจะมีมากขึ้นแต่จะมากพอที่จะทําให้รวมหรือไม่นี่ก็ก็อยู่ที่ว่าสติมันพอหรือไม่พอ สาธุคหับผมข้อถ้าเกิดเรานั่งบำเพ็ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับกำลังสติมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ที่นั่งเพียงอย่างเดียวอยู่ที่การเจริญสติทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเวลาทำอะไรให้มีพุโทโธไปควบคู่ไปกับการกระทาก็ได้หรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายไปตลอดเวลาก็ได้ เป็นกําลังล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล้างหน้าหวีผมก็อยู่ ก, การหวีผมไม่ใช่หวีผมไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติต้องอยู่เรื่องเดียวอยู่กับร่างกายก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้หรืออยู่กับอาการสี่สิบชนิดที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ก็ได้เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบอันไหนถูกจริตกับเราเราก็ใช้อันนั้นไปเป้าหมายก็คือให้ใจหยุดคิดให้ใจอยู่ในปัจจุบัน ให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้แต่ไม่ให้คิดใจมีสองส่วนมีส่วนที่คิดกับส่วนที่รู้ส่วนที่คิดนี่มันมักจะทํางานอยู่ตลอดเวลาพอคิดแล้วก็เกิดตัณหากิเลส ข, ขึ้นมาก็เลยทําให้ใจร้อนขึ้นมาถ้าหยุดความคิดได้กิเลสตัณหาก็จะทํางานไม่ได้ใจก็จะเย็นใจจะสงบวางใจให้เป็นอุเบกขาใช่ไหมครับหลวงพ่อมันจะมันจะเป็นเองอุเบกขานี่เราไปสั่งให้มัน เป็นไม่ได้มันพอเข้าไปจุดที่มันอิ่มตัวมันก็จะเป็นอุเบกขาของมันเองมันจะเฉยเองมันจะรู้สึกเย็นสบายไม่เดือดร้อนกับอารมณ์ต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้ไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางความคิดปรุงแต่งมันก็จะเฉยเฉยสาธุครับขออีกคําถามหนึ่งนะครับอเอ่อการนั่งภาวนาเนี่ยนะครับก็เคยได้ยินว่า สามารถตัดภพตัดชาติได้ไม่ทราบว่าอันนี้เนี่ยไม่ทราบหลวงพ่อ nou, พอจะให้ให้ความกระจ่างเรื่องนี้ได้ไหมครับภพบชาตินี้มันก็เกิดจากความอยากเนียความอยากนี่เป็นเหมือนน้ามันที่เราเติมใส่รถเราเนี่ยถ้าเราคอเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆรถมันก็วิ่งไปไเรื่อยๆถ้าเราไม่เติมน้ํามันหรือลดการเติมน้ํามันให้น้อยลงไประยะทางที่มันจะวิ่งมันก็จะสั้นลงมาถ้าเราไม่เติมอะไรต่อไปน้ํามันที่ในถังมันก็หมดหมดมันก็วิ่งไม่ได้ ภพชาติก็แบบนี้ตันหาก็คือน้ำมันของภพชาติถ้าลดตันหาได้ภพชาติก็จะน้อยลงเข้าใจแล้วครับสาธุครับผมทางกายคุณต่อไม่ถามแล้วว่าตัดผมสั้นแล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> สบายขึ้นหรือไม่อ้าวถามมา ค่ะยมขอากาเรียนถามเรื่องจิตเดิมจิตแท้จิตต้นอะไรเนี่ยค่ะมายถึงว่าถ้าเกิดมันมันเข้าไปถึงความสงบหรือเบคอค่างที่พระอาจารย์สอนแล้วเนี่ยจิตรวมแล้วรวมเป็นหนึ่งแล้วแล้วยังมียังจะมีจิต ค, คือมันมีมันจะมีตัวรู้อยู่แล้วี่ถ้าถ้าว่าแท้ที่หลวงตาพูดถึงจิตเลย ปู่ม่นพูดถึงจิตเดิมจิตต้นอะไรแบบนี้หมายถึงมันมัน ม, น ม, มีมีมากไปกว่านั้นอีกเหรอคะ <c oughs> คือจิตตัวเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเราให้ชื่อมันต่างกันเหมือนกับคนเนี้ยเวลาเป็นเด็กก็เป็นเด็กชายเด็กหญิงเวลาโตขึ้นมาก็เป็นนายเป็นนางสาวเวลาแต่างงานก็เป็นนางจิตก็เหมือนกันจิตอยู่ในสภาพไหนเขาก็มี คุณลักษณะของเขาเราก็ให้ชื่อของเขาไปที่ว่าจิตเดิมจิตต้นนี้ก็คือจิตที่สงบจิตรวมเป็นหนึ่งนี่แล้วในนั้นยังมีอวิชชาอยู่ใช่ใช่ถ้ามันเป็นเป็นที่มันสงบด้วยด้วยสมาธิหรือว่าสงบด้วยธรรมแต่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดเช่จนจิตเดิมจิตของพระอนาคามีนี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับของจิตเดิมแต่ แต่ยังมีกิเลสตัณหานองเหลืออยู่บางส่วนหรือจิตของผู้ที่รวมลงเป็นสมาธิแล้วเป็นอุเบกขาเนี่ยก็ก็เป็นจิตเดิมเหมือนกันแต่มันมีกิเลสตัณหามากกว่าแบบของพระอนาคามีเพราะว่ายังไม่ได้ตัดกิเลสตัณหาเลยเป็นเพียงชื่อของจิตเวลาที่อยู่ในในฐานะต่างๆเท่านั้นเองเป็นจิตตัวเดียวกัน พอถึงนิพานท่านก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์อจิตบริสุทธิ์กับจิตเดิมจึงไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ตัวไม่ไม่ใช่ภาวะเดียวกันจิตบริสุทธิ์นี้ไม่มีกิเลสความโลภโกรธแลงไม่มีตัณหาไม่มีภพชาติแต่จิตเดิมนี่ยังมีภพชาติอยู่เพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์กับ ที่ท่านเรียกทีติภูทีติภูตังนี่ก็จะจะไม่มีแล้วถ้าหากว่าถึงที่สุดแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ทีติภูตังนี้ท่านก็คือว่าจิตที่สงบเนี่ยไงจิตที่เป็นสมาธิจิตรวมเรียกว่าทีติภูตัง น, นั่นเองแต่ยังมีกิเลสเต็มอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ใช้ปัญญาทําลายกิเลสที่มีอยู่ในจิตนั้นขอบคุณค่ะ ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและทางกลุ่มคณะสื์พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณมนตีนะครับผมได้ฟังธรรมะที่พระอาจารย์เทศมาสักสองสามเดือนที่ผ่านมาที่ได้ยินได้ฟังบ่อยจนเป็นที่จาได้คือพระอาจารย์จะเน้นเรื่องอุเบกขาในหลายเทศผมมีข้อสังเกต และข้าจะกราบเรียนถามเพื่อขอความกระจ่างจากพระอาจารย์ในเรื่องอุเบกขาดังนี้อุเบกขาที่อยู่ในพรมวิหารสี่กับอุเบกขาที่อยู่ในโพชงเจ็ดแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรครับตัวเดียวกันทั้งนั้น่ะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นของแท้ของจริงก็ต้องมันต้องจิตรวมเท่านั้นมันถึงจะเป็นอุเบกขาที่แท้จริง อย่างเวลาที่เราเจริญอุเบกขาในพรหมวิหารสี่ก็เป็นการเหมือนกับบังคับให้มันเป็นอุเบกขาชั่วคราวเช่นเวลาประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ทำใจนิ่งๆเฉยๆแต่มันเป็นนิ่งแบบที่มันยังไม่นิ่งจริงนิ่งเพราะถูกบังคับนิ่งเพราะถูกกดไว้ถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตมันก็นิ่งไม่ไหวแต่ถ้าเป็นอุเบกขาจริง อุเบกขาที่อยู่ในสมาธิอย่างนี้มันจะมันจะเฉยได้อย่างจริงจังแล้วยิ่งถ้าเป็นอุเบกขาที่ได้จากปัญญาที่ทำลายตัวตัญหาความอยากที่จะมาทำให้ใจวุ่นวายได้มันก็จะเป็นอุเบกขาที่ถาวร อ, อุเบกขาสมาธินี้มันจะอุเบกขาชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิหรือเวลาที่ออกมาจากสมาธิใหม่ แต่ถ้าออกมานานเข้าจิตเริ่มคิดปรุงแต่งมากขึ้นอุเบกขาก็จะค่อยๆอ่อนไปหายไปได้แต่ถ้าอุเบกขาที่ได้จากการใช้ปัญญาตัดตัณหาได้เนี่ยมันจะเป็นถาวรกว่าคำถามข้อต่อไปจากคุณหมูจังนะครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหนูนั่งสมาธิโดยใช้การดูลม คอยตามดูความเคลื่อนไหวของร่างกายตอนนี้ปัญหาที่เกิดคือเวลามีความทุกข์ไม่สามารถทิ้งทุกข์ได้และพอเห็นสภาวะธรรมของร่างกายเกิดขึ้นก็เกิดอาการทุกข์มากขึ้นเหมือนคล้ายๆตัวเองกําลังฟุ้งซ่านเหมือนคนบ้าใจเหมือนจะขาดร่างกายปั่นป่วนยิ่งพยายามยิ่งมีความทุรนทุรายไม่ทราบว่าควรทาอย่างไรคะอันนี้ก็ คืก็ขาดอุเบกขานี่เองจเจริญแต่สติแต่ไม่ยอมนั่งสมาธิเวลาจเจริญสตินี่เป็นเพียงเหตุเท่านั้นเองเหตุที่จะทําให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิเป็นอุเบกขาแต่การที่จิตจะรวมได้นี่ต้องนั่งเฉยๆต้องไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระทําอะไรถ้ามีการกระทํามันจะรวมยากแต่รวมได้เหมือนกันในกรณีพิเศษบางท่านเดินจงกรม แล้วจิตก็รวมเป็นอุเบกขาได้แต่มันจะยากกว่าการนั่งถ้านั่งเฉยๆแล้วควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งได้อย่างต่อเนื่องจิตก็จะรวมเข้าสู่อุเบกขาได้พอเข้าสู่อุเบกขาแล้วเราก็จะเห็นคุณประโยชน์ของการการการเป็นอุเบกขาพอเราออกจากสมาธิมาเราก็จะพยายามรักษาอุเบกขานั้นด้วยการเจริญปัญญาเวลามี ตันหาความอยากขึ้นมาก็จะใช้ปัญญาสกัดทําลายเราเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เกิดจากตันหาความอยากเรานี้เองเราก็สามารถที่จะทําใจให้เป็นอุเบกขาได้ด้วยการทําลายความอยากนั้นเช่นเวลาเราออกมาแล้วเรามาเจอเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะพบความไม่อยากจะพบเหตุการณ์นี้ก็เป็นตันหาแล้วเราก็ต้องสอนใจว่าถ้าออกมามันก็ต้องเจอ จะห้ามให้ไม่ให้เจอไม่ได้เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเรายังอยู่ในโลกนี้อยู่เราก็ต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆทั้งที่ชอบและที่ไม่ชอบที่ชอบก็อย่าไปอยากมีตัณหาให้มันอยู่ไปนานๆพราะเวลาถ้ามันไม่อยู่นานๆมันหายไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ไม่ชอบพอเจอก็อยากจะให้มันหายก็อย่าไปเพราะถ้าอยากว่ามันก็จะวุ่นวายใจมันจะทุกข์ใจขึ้นมาทางที่ดีก็อย่าไปอยากทั้งนั้นปล่อย ให้ยินดีตามมีตามเกิดชอบก็ยินดีไม่ชอบก็ยินดีอยู่กับมันไปอย่างนี้ก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาดัางนั้นการเจริญสติอย่างเดียวนี้ไม่พอเจริญสติแล้วต้องนั่งนั่งสมาธิให้มากๆให้จิตรวมลงให้ได้ให้สงบให้ได้และเวลาออกจากสมาธิมาถ้ามีตันหาก็ต้องใช้ปัญญาคอยกําจัดมันให้ได้คําถามข้อต่อไปจากคุณน้องนะครับ กาบนมัสการค่ะเรียนถามเวลามีสติเราจะรู้ตัวดึงความรู้สึกกลับมาได้พร้อมด้วยคําภาวนาพุโทโธก็จะเข้ามากํากับโดยอัตโนมัติแต่พอเริ่มตั้งใจที่จะอยู่กับคําภาวนาพุโทโธและกําหนดรู้อยู่ที่ตัวจริงๆทําไมจึงรู้สึกกดๆอยู่บริเวณหน้าอกส่วนบนแก้ไขอย่างไรดีคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความอยากมากเกินไปไมั้งอยากจะทํา แล้วมันก็จะสร้างความเครียดสร้างภาวะขึ้นมาที่จิตก็ได้แล้วก็ส่งผลกระทบไปสู่ที่ร่างกายดังนั้นเวลาทำอะไรอย่าอย่าใช้ความอยากเป็นตัวนำใช้เหตุผลเป็นตัวนำว่าตอนนี้เราต้องเจริญสติเราก็เจริญไปได้มากได้น้อยก็ทำไปตามกำลังของเราอย่าไปเครียดว่าต้องเจริญให้ได้เพราะบางที ใจมันก็ฟุง้งมันวุ่นวายบางทีก็มันก็จะไม่ยอมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอันนี้เราก็ต้องเข้าใจภาวะของใจของจิตแล้วก็พยายามโน้มน้มนาวมันมาตามกำลังเท่าที่เราจะทำได้แต่อย่าทำจนถึงเกิดความเครียดขึ้นมาคำถามข้อต่อไปจากคุณโมนานะครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยแนะนำควรฝึกฝนยังไง ใช้ข้อคิดข้อทำไหนหรือมีวิธีการอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ดูได้ต่อเนื่องมากขึ้นในขณะที่ยังต้องทำงานออฟฟิศทำงานทั้งโลกอยู่กับผู้คนและการพูดคุยเยอะปัจจุบันรู้สลับหลงรู้ได้เท่าที่รู้รู้ว่าหลงก็ต่อเมื่อกลับมารู้ตัวอีกทีสติไม่ต่อเนื่องคะ่ะก็ให้รู้ว่า บุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งของต่างๆรอบตัวเรานี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันมีเกิดมีดับมีมามีไปอย่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้สําคัญกับใจของเราเพียงอย่างเดียวสิ่งที่จะทําให้ใจเราเสงบเย็นสบายก็คือเราต้องปล่อยวางอย่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวเรา ให้ความสำคัญเท่าที่จำเป็นจำเป็นที่จะต้องพูดก็คุยคุพูด ค, คุยกับใครก็พูดไปจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาก็ดูแลไปแต่ถ้าส่วนไหนไม่จำเป็นก็ปล่อยไปอย่าไปยุ่งกับเขาเขาดึงใจให้กลับเข้ามาที่ที่สติ ด, ดีกว่าให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอยู่อยู่กับการเคลื่อนไหวของเราไปคำถามข้อต่อไปจากคุณยูทีพง์นะครับ ความก้าวหน้าของการปฏิบัติวัดได้อย่างไรก็กิเลสตัณหาน้อยลงไปความสงบความสุขอ้เบกขามีเพิ่มมากขึ้นไปความวุ่นวายใจน้อยลงไปความทุกข์ใจน้อยลงไปความเย็นใจความสบายใจความเบาใจมีเพิ่มมากขึ้นไปคำถามข้อต่อไปจากคุณบัดดี้นะครับ เรียนถามว่าวิธีกําจัดอนุใสหรือทําให้เบาบางลงก็อย่าไปทํามันเราเคยชอบทํำอะไรล้วก็เลิกทํามันชอบงอนก็เลิกงอนฮชอบอิจฉาริษยาก็เลิกมันไปชอบโกรธก็พยายามเลิกเลิกมันไปต่อไปมันก็จะเบาบางแล้วก็หมดไปเองคำถามข้อต่อไปจากคุณธีรพัฒนนะครับ ที่ทําพิธีครอบครูใช้เสียงเทพหรือศีนั้นผิดวินัยและคําสอนหรือไม่ก็เป็นคำํำสอนเจ้าไม่ได้สอนให้ทําถ้าไม่ได้ทําไม่ได้สอนให้ทำก็ต้องว่าผิดแล้วเพราะเจ้าสอนใหพระศีล ส, สมาธิปัญญาเท่านั้นคําถามข้อต่อไปจะกคุณปุ้ยนะครับการดูลมแล้วยังไม่รู้สึกสงบหรือมีสมาธิ แม้บางครั้งดูอยู่เกือบชั่วโมงเป็นเพราะอะไรคะเพราะไม่ได้ดูอย่างต่อเนื่องดูแบบสลับไปสลับมาดูลมปั๊บแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็กลับมาดูลมใหม่ถ้าอย่างนี้ดูไปนานเท่าไหร่ก็จะไม่สงบถ้าดูแต่ลมอย่างเดียวไม่มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอันนั้นแหะไม่นานสิบนาทีก็สงบได้คําถามข้อต่อไปคุณต้าอาพรนะครับ ปกติจะพยายามรู้กายใจระหว่างวันและทาในรูปแบบบ้างมีคำถามคือครั้งหนึ่งได้นั่งสมาธิเห็นว่าเวทนาความปวดมันแยกออกเป็นก้อนๆนหนึ่งกายที่เคยรู้สึกทั้งตัวมันแยกออกไปก้อนหนึ่งโดยเราก็มองดูมันอยู่นี่คือสภาวะมันบอกเราว่ากายก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งใช่หรือไม่คะ จะว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ผลที่เราต้องการก็คือใจเราต้องนิ่งต้องเฉยกับสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นคือไม่ไปกังวลกับความเจ็บไม่กังวลกับร่างกายใจเฉยเฉยรับรู้ไปถ้าแยกแล้วใจยังวุ่นอยู่ยังมีความอยากอยู่ก็ไม่ไม่ไม่เปิดประโยชน์อะไรการแยกออกให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเขาเป็นอย่างนั้น เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือทำใจให้รับเขาให้ได้เท่านั้นถึงจะเกิดประโยชน์คำถามข้อต่อไปจากคุณอนัญญานะครับคุณแม่จะผ่าตัดในสัปดาห์หน้าจึงทำการย้ายเตียงสำหรับพักฟื้นออกมาที่ห้องโถงซึ่งหัวหันนอนไปทางทิศเหนือได้ทิศเดียว แต่ในศาสตรหวงจุ้ยที่เรียนมาเดือนนี้ทั้งเดือนทิศเหนือเป็นอสูรและวิบัติกุ้มใจกลัวแม่ไม่ปลอดภัยควรทำอย่างไรดีคะปล่อยวางอย่าไปยึดถือห่วงจุ้ยและเลิกยามไปเลยดีหรือไม่ก็พระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้เชื่อครรมอย่างเดียวเจอว่า <c oughs> ถ้าถึงเวลามันจะตายหันไปทางทิศไหนมันก็ตายเหมือนกันถ้ายังไม่ถึงเวลาตายหันไปทางทิศไหนมันก็ไม่ตาย คำถามขอยกไปพรุ่งนี้ครับมีใครเหลืออีกไหนไหมครับมีใครอยากจะถามต่อไหยพระอาจารย์ครับพอดียายทวดหนูเพิ่งยายคุณยายหนูเพิ่งเสียนะคะเ อ, อตอนนี้หนูก็ฟังพระอาจารย์สอนมาตลอดว่าบุญใครทําใครได้แต่ตอนนี้ด้วยความเป็นลูกเป็นหลานนะคะก็ยังอยากทําบุญให้ยายอยู่ดีพระอาจารย์ พระอาจารย์แนะนำทิดหนึ่งสิคะว่าทํายังไงให้ให้บุญได้ถึงยายทุกยายอะค่ะก็ถ้ายายอยู่ในภาวะที่รอรับบุญอยู่นี้เราก็ทําทานตักบุญทําบุญใส่บาตรหรือทานชนิดไหนก็ได้แล้วก็อุทิศบุญไปให้กับคุณยายแต่ถ้าคุณยายได้ทําบุญมามากมีบุญมากคุณยายตอนนี้ก็เป็นเศรษฐีบุญแล้วเป็นเทวดาแล้วท่านก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของเรา ก็พระอาจารย์คะที่มีธรรมเนียมว่าถึงหนึ่งร้อยวันแล้วต้องทําบุญให้คนตายนะคะตรง น, นี้พระอาจารย์แนะนํำหน่อยสิคะอันนี้เป็นอุบายของนักปราดให้พวกที่ยังอยู่ที่ขี้ขีดทําบุญจะได้โอกาสทําบุญกันเข้าใจไหมขอบพระคุณค่ะา่หมดแล้วนะแค่วันนี้ก็ขอยุติการสนทนาทำไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ